วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20เมษายนพุทธศักราช2568เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมสาวุชนพุทธบริษัทผู้มีความยินดีในธรรมจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม และปฏิบัติธรรมตามกำลังของแต่ละคนปกติเวลามาฟังธรรมที่นี่ก็จะมีการแสดงธรรมอยู่หนึ่งชั่วโมงด้วยกันเคยเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายสองโมงไปจนถึงสามโมงแต่ตอนนี้จะขอปรับการแสดงธรรมให้เหลือสามสิบนาทีในช่วงแรก แล้วในช่วงที่สองหลังจากนั้นอีกสาสนาทีเราก็จะมานั่งสมาธิกันมาทำํำหาใจให้สงบกันเพื่อที่เราจะได้ทั้งปัญญาได้ทั้งสมาธิได้ปัญญาจากการฟังธรรมได้การได้สมาธิความสงบของใจจากการนั่งสมาธิจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ จะบุเรกกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ได้จะสวดมนต์นก็ได้แล้วแต่ความพอใจชอบอย่างไรใช้แล้วได้ผลก็ใช้อย่างนั้นไปเป้าหมายของการนั่งสมาธิก็เพื่อทําใจให้สงบให้นิ่งให้สบายมีความสุขไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกไม่ต้องไปหาความสุขจาก ลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆที่จะกลายเป็นความทุกข์เมื่อเกิดการเสื่อมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการสิ้นสุดลงแต่ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบนี้เป็นความสุขที่เราสามารถรักษาไว้ได้ตลอดเวลาตราบใดถ้าเรารู้จากวิธี ทำใจให้สงบได้แล้วเราก็จะสามารถทำได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่เราต้องการความสุขเราก็เพียงเจริญสติหลับตานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบใจเราก็จะมีความสุขได้แลสามารถทำได้ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นอะไรไปก็ไม่เป็นปัญหาและแต่อย่างใด ร่างกายจะแก่จะเจ็บไา้ได้ป่วยร่างกายจะตายเราก็ยังสามารถทำสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขได้ต่างจากสิ่งต่างๆที่เราหามาเพื่อให้ความสุขกับเราเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราต้องขวนขวายดิ้นรนเหนื่อยยากลำบากลำบนกว่าจะได้ราบยศสรรเสริญมากว่าจะได้รูปเสียงจิตรถผดธภาพมาเสกเราก็ต้องใช้กำลังวังชาของร่างกายถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรไปพิกลพิการไปเราก็จะไม่สามารถ หาความสุขจากราบยศสารเสรินจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพธภ้าได้และถึงแม้ว่าเราจะหาราบยศสารเสริญ ส, สุขมาได้มากน้อยเพียงไรวันใดวันหนึ่งราบยศสารเสริญ ส, สุขนั้นก็อาจจะหายไปหมดไปก็ได้ตาหลักธรรมท่านแสดงไว้ว่าโลกกระทนี้ เป็นอ น, นิจจังเป็นของไม่เที่ยงมีเจริญก็มีเสื่อมได้เป็นธรรมดาเจริญลาบก็เสื่อมลาบได้เจริญยศก็เสื่อมยศได้มีสรรเสริญก็มีนินทาได้มีความสุขจากลบเสียงกดลิ่นรสปวดพระชนิดต่างๆก็จะมีความทุกข์มีความทุกข์จากลบจากลบเสียงกดลดดิ่นรสปวดพระได้เช่นเดียวกัน เพรารูปเสียงกลินลรถพลตภัณก็มีทั้งสองแบบแบบที่ให้ความสุขก็มีแบบที่ให้ความทุกข์ก็มีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะไปห้ามไปสั่งมันให้เอาแต่สิ่งที่เป็นความสุขอย่างเดียวเช่นเสียงเสีย ง, ยงชมก็มีเสียงด่าก็มี ไม่มีใครไปสั่ไม่ให้คนนั้นด่าเราได้ถ้าเขาอยากจะดา่าเขาก็ด่าเราถ้าเขาอยากจะชมเขาก็ชมเรานี่คือลักษณะของความสุขจากสิ่งภายนอกจากเงินทองคือลาบยศก็คือตาแหน่งต่างๆพนันเสรก็คือการยกย่องเงยยอนอกจากความสุขจากลูกเสียงปิ้รที่ถูกใจ แต่มันก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ได้เงินทองที่หามาได้ก็อาจจะหมดได้ยศหรืตอตำแหน่งต่างๆก็อาจจะถูกปลดได้ถูกเปลี่ยนได้สาะเสินคนที่เคยสารเสวนวันดีคืนดีเข า, าอาจจะด่าเราก็ได้ นี่คือลักษณะของความสุขภายนอกที่คนในโลกนี้ที่ไม่มีปัญญาไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะหลงกับการไปหาความสุขในรูปแบบนี้แล้วก็ต้องวุ่นวายต้องดิ้นรนเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มาง่าย่ายเงินทองกว่าจะได้มาทักบานต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ยศตำแหนินกว่าจะได้ข่านหนึง่งก็ต้องเหน็ดเหนื่อยหนึ่งแล้วคณะเสร์งทำความดีถ้าเป็นท่าตายบางทีก็ไม่มีคนคารเสร์งจะมีรูปเสียงกิดร้อก็ต้องใช้เงินใช้ทองไอซื้ออยากจะได้รูปเสียงกิดร้อนที่ถูก อ, อกตกใจถูกใจก็ต้องเสียเงินเสียทองไป ห, หารูปเสียงกินร้อนต่างๆมาเสเมื่อสัมผัสกัน พอเกิดมีปัญหาขาดเรื่องเงินเรื่องทองหรือขาดเรื่องร่างกายไม่สมบูรณ์ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายที่กลนที่กลางไปหรือร่างกายแก่ชราการจะแสลงหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะหมดไปเนือให้เจ็บอยู่แต่ความเศร้า ความเหงาความว้าเวเพราะไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งตา่างๆมาเสดมาสัมผัสได้แต่ถ้ามากะมาฝึกสติม า, ม า, ฤฤฤฤฤมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบพ อ, อทำใจให้สงบได้ใจจะใจก็จะผลิตความสุขให้เสดให้สัมผัสและเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า ที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงความสุขของความสงบนี้ดีกว่าความสุขที่ได้จากเงินทองเป็นน้อยล้านผ่านล้านดีกว่าได้ยศได้ตาแหน่งจะเป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีความสุขที่ได้ก็สู้ความสุขจากการทาใจให้สงบได้ ความสุขที่ได้รับจากการสรรเสริญเยืนเยี่ยงยกย่องก็ mm. สู้ความสุขจากการทําใจให้สงบไม่ได้ความสุขจากการได้ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบตา่างๆเช่นไปดูละครไปฟังไปดูไปฟังละครไปร้องรา ท, ทําเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่างๆความสุขอย่างนี้สู้ความสุขที่เกิยจากการทําใจให้สงบไม่ได้ แล้วความสุขนั้นเป็นความสุขชั่วคราวพอได้เสพได้สัมผัสแล้วก็จางหายไปไปเที่ยวก็มีความสนุกสนานพอกลับมาบ้านความสนุกสนานนั้นก็หายไปทําให้รู้สึกเหงารู้สึกว่าเวทําให้อยากจะออกไปเที่ยวอีกอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรให้เสพให้สัมผัสก็จะรู้สึกเศร้าเศร้าหงอยหเหงา ว, ว่าเว แต่ถ้าเรารู้จักทําใจให้สงบได้เราสามารถทําใจให้สงบได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกสภาพของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็ตามร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามใจก็ยังสามารถทําใจให้สงบได้แม้ขณะแม้ขณะที่ร่างกายจะใกล้จะตาย ใจก็ยังสามารถทำใจให้สงบให้มีความสุขได้และหลังจากที่ร่างกายตายไปใจก็ยังมีความสุขก็อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆต่อไปท่านสูงสุดก็ไปสู่สวรรค์ชั้นนิพพานเป็นสวรรค์ที่มีความสุขเต็มร้อยเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรเป็นความสุขที่จะทำให้เจิบใจ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือประโยชน์สุขจากการทำสมาธิทำจิตให้สงบ ก, การทำจิตให้สงบนี้เป็นการกระทาขั้นที่หนึ่งคือขั้นสมาธินี้ยังถือว่าเป็นขั้นที่หนึ่งอเอเป็นความสุขเป็นความสงบที่เป็นความสุขความสงบชั่วคราว ได้ในขณะที่เข้าสมาธิเวลาเข้าสมาธิได้จิตก็จะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบายมีความสุขแต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มารับดูเรื่องนั้นเรื่องนี้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะร้อนขึ้นมาได้เพราะว่าตัวที่ทาให้ใจร้อนคือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่าง ยังไม่ได้ถูกกำจัดด้วยกำลังของสมาธิ<ม>เวลาเข้าสมาธิความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้สู่ ก, กำลังของสมาธิกดไว้เพียงชัว่วคราวพอไม่พอก<ม><ม>ิเลสตัณหาโมหะอวิชชาความโลภความโกรธความอยากต่างๆไม่ทำงานใจก็เย็นใจก็จะสงบขึ้นมา แต่เวลาออกจากสมาธิมาพอเริ่มมาสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงก็จะออกมาทำงานก็จะสร้างความทุกข์ร้อนสร้างความวุ่นวายใจให้กับใจได้ถ้าไม่อยากให้ทุกข์ร้อนถ้าไม่รู้จักวิธีอื่นที่จะทำใจให้ไม่ร้อนได้ก็ต้องกลับเข้าสมาธิไปเรื่อย คนที่ปฏิบัติธรรมในขั้นสมาธินี้ก็จะอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือในการกำจัดในการระงับความทุกข์ร้อนของใจแต่ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ร้อนของใจให้หมดไปได้อย่างถาวรต้องใช้การปฏิบัติธรรมอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้จะ สามารถทำให้ใจนี้หายทุกข์ร้อนได้อย่างสิ้นเชิงอย่างถาวนเพราะว่าปัญญานี้จะเข้าไปกาจัดต้นเหตุของความโลภความอยากความโกรธต่างๆนั่นก็คือความหลงความหลงนี้เป็นอย่างไรความหลงก็คือการที่เราไปเห็นสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ว่าเป็นความสุขนั่นเอง เห็นว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผดสะ พ, พา้าชนิดต่างๆมีความสุขเป็นความสุขแต่ปัญญานี้จะสอนใจให้เห็นว่ามันไม่เป็นความสุขจริงหรอกมันเป็นความสุขปลอมความจริงแล้วมันมเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้านี้มันจะไม่ยั่งยืนถาวร มันเดี๋ยวมันจะต้องมีความเสื่อมมีวันหมดไปเช่นลาบยศสรเสริญเมื่อมีการเจริญก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาพอ เ, เกิดการเสื่อมของลาบยศสรเสริญสุขความทุกข์ก็จะเข้ามาทันทีอนี่คือปัญญาที่เห็นว่าสิ่งที่ความหลงเห็นว่าการมีลาบยศสรเสริญสุขนี้เป็นความสุข แต่ปัญญาจะแย้งว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องเปลี่ยนไปหมดไปเวลามันเปลี่ยนไปหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามา ท, าทันทีนี่คือปัญญาที่จะมาสอนให้ใจมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันของไม่เที่ยง ทุกเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับให้มันเป็นของเที่ยงได้ไม่สามารถบังคับให้มันให้ความสุขกับเราได้เพียงอย่างเดียวของที่อยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนเป็นเหมือนนีดมีสองมีสองคมด้วยกันมีมีสุขแล้วก็มีทุกสลับกันไปถ้าเราไปยึดไปติด ไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้พอเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมดไปใจก็จะทุกร้อนขึ้นมาทันทีหรือแม้ขณะที่ยังไม่เปลี่ยนเพียงแต่คิดถึงความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้เช่นเราเมื่อแตเร็วนี้เขาคงได้ประสบกับข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวพอเราได้ยินเรื่องแผ่นดินไหวเราก็เริ่มเห็นภัยอันตราย ของการที่เราจะอยู่ในโลกนี้แล้วแล้วตอนนี้เราเพียงแต่คิดถึงมันทั้นนั้นมันก็ทำให้ใจเราทุกข์ได้ขึ้นมาทันทีโลกที่เราอยู่มันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีภัยต่างๆมาปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆภัยทางธรรมชาติบางทีก็แผ่นดินไหวบางทีก็น้าท่วมบางทีก็ไฟไหม้บางที ก, ไไงทก็มีพายุเข้ามาทำลายทรัพย์สินทำลายชีวิต ของบุคคลต่างๆได้แล้วเราก็เป็นหนึ่งในชีวิตที่อาจจะต้องประสบกับภัยเหล่านี้ขึ้นมาก็ได้จพงแต่คิดยังไม่ได้เจอกับความจริงใจเราก็ทุกข์ร้อนขึ้นมาได้ใจเราก็จะวิตกกังวลหวาดกลัวไปและนอกจากภัยของทางธรรมชาติแล้วร่างกายมันก็มีภัยของมันอยู่ในตัวอีก่ด้วยร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันร่นางกายมันก็ มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเหมือนกันตอนที่เกิดมาออกมาจากท้องแม่มันก็มีแต่เจริญเติโ ต, ตขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอเจริญเต็มที่แล้วมันก็เริ่มแก่ลงไปทเทละเล็กทเทละน้อยต่ อ, อไปก็เป็นคนแก่เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็เป็นคนตาย เราเพียงแต่คิดถึงเรื่องเหล่านี้มันก็ทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาแล้วความทุกข์พระเจ้าบอก ว, ว่ามันเกิดจากใจที่เราไปอยากหรือไม่อยากกับสิ่ ง, งต่างๆเช่นกับร่างกายเราก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้มันตายเพราะเรามีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอยากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนั้นเอง ก็เราก็เลยต้องทุกข์กับร่างกายกังวลกับร่างกายกลัวว่าร่างกายจะเป็นอะไรไป<ม>นี่คือสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราอาศัยให้ความสุขกับเรานี้ล้วนเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขกลอ ม, มความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป<ม>ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ เราก็อย่ายไปยุ่งกับเขาอย่ายไปอาศัยเขามาให้ความสุขกับเราอย่าไปอาศัยเงินทองมาให้ความสุขกับเราอย่าไปอาศัยยศตำแหน่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราอย่าไปอาศัยคําสรรเสริญเยินยอต่างๆมาให้ความสุขกับเราอย่าไปอาศัยการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นการดูหนังฟังเพลงกินเดิมอาหารเครื่องเดิมอะไรต่างๆ ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบันเทิงก็ดีเป็นการท่องเที่ยวก็ดีความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขที่ชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนเราเวลาที่มันเสื่อมมันหมดใจเราทุกข์ทุกเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเสื่อมเราไม่อยากให้มันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ เราก็อย่าไปเศษมันอย่าไปอาศัยมันให้ความสุขเรามาอาศัยการอยู่เฉยๆโดยที่ไม่มีความอยากจะดีกว่าเพราะเวลาใจเรานิ่งใจเราไม่มีความอยากนั้นใจเรามีความสุขเช่นเวลาที่เราเข้าสมาธิไปใจเราจะนิ่งใจเราจะสงบใจเราจะมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรก็ได้ ไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกิริยลดโปรตพะไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราแล้วก็ไม่ต้องมีร่างกายมาให้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขกับเราเพราะใจนี้สามารถมีความสุขได้ในตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเลยนี่แหละคือปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมา พอเกิดความอยากแล้วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็สอนใจว่าอยากไปอยากอยากแล้วทุกข์สิ่งที่อยากได้มาก็ไม่แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปหมดไปได้พอมันเปลี่ยนไปหมดไปมันก็จะทาให้ใจทุกข์ได้งั้นไม่ต้องมีอะไรอยู่แบบไม่มีอะไรอยู่เหมือนในขณะที่อยู่ในสมาธิเพียงแต่ว่าเวลาออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากต้องใช้ปัญญาสอนใจ ให้ระงับความอยากนั้นเพราะความอยากนั้นเป็นตัวสร้างความทุกข์ร้อนให้กับใจสร้างความทุกทรมานให้กับใจพอเห็นด้วยปัญญาว่าความอยากในสิ่งสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นทุกข์สิ่งที่ใจอยากได้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา มันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องเสื่อมไปหมดไปพอเห็นอันนี้จังเห็นความเสื่อมเห็นความที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากไปยุ่งกับมันเราชื่ออยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่อยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับสมาธิอยู่กับความสงบแต่ไม่ต้องเข้าสมาธิ เพียงแต่หยุดความอยากทั้งนั้นเองพอหยุดความอยากได้ปั๊บความทุกข์ก็จะหายไปเช่นเวลากลัวความแก่ก็หยุดความอยากยอมยอมแก่มันจะแก่ก็ให้มันแก่ไปแล้วห้ามมันไม่ได้เราหยุดมันไม่ได้ไปอยากให้มันไม่แก่มันก็จะทําให้ใจเราทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็อยากไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยอมให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไป รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปใจก็จะไม่ทุกข์กับมันเวลาน่างกายจะตายก็เช่นเดียวกันก็ยอมไม่มันตายถ้าถึงเวลามันจะตายก็มยไม่มีใครยับยั้งมันได้ไม่มีใครหยุดมันได้ถึงเวลาต้องตาย UH. ก็ปล่อยมันตายถ้ายอมตายแล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับความแก่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความความแก่ เพราะว่าปัญหาที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากให้รั่งกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เป็นไปไม่ได้อยากให้ลาบยศสรรเสริญสุขไม่เสื่อมก็เป็นไปไม่ได้นี่ละ่ะคือวิธีการใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาทั้งนั้นไม่สามารถที่จะอาศัยเขา ให้ความสุขแบบยั่งยืนแบบถาวรแบบไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้สิ่งเดียวที่จะทําให้ใจเรานี้สิ่งเดียวที่ใจเราจะอาศัยให้ความสุขได้อย่างยั่งยืนอย่างถาวรก็คือความสงบของใจนี่ละตัวที่เหตุที่ใจไม่สงบก็คือความหลงที่ดอกให้เกิดความอยากในสิ่งต่างๆขึ้นมาพอมีปัญญาเราก็จะระงับความหลงได้ เมื่อก่อนอยากให้ได้สินนั้นมาให้ความสุขแต่พอมีปัญญามันก็จะบอกว่ามันเป็นความทุกข์อยากได้เงินทองมามันก็เป็นความทุกข์อยากได้ตําแหน่งมันก็เป็นความทุกข์เพราะว่ามันมันได้เดี๋ยวเดียวมันได้สุขแล้วเดี๋ยววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปมันมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวมีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีเจริญมีเสือ่อมเป็นธรรมดาถ้าใจ ถ้ามีปัญญาสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกขกับเขาก็อย่าไปยุ่งกับเขาด้อย่าไปเอาสัยเขามาให้ความสุขกับเราพอเราไม่เอาสัยเขาให้ความสุขเขาจะเจริญหรือเสื่อมเราก็ไม่เดือดร้อนใจเราก็สงบนิ่งเฉยเฉยความอยากที่เคยมีก็จะหายไป พอเห็นโทษของความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมามันทําใจให้ร้อนทําใจให้วุ่นวายทําใจให้ไม่มีความสุขนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนานี้เน้นไปที่การทําใจให้สงบด้วยการเจริญสติในเบื้องต้นนั่งสมาธิหลับตาให้มีสติคอยดูคอยควบคุมใจอย่าให้ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆ เพราะถ้าคิดแล้วมันจะไม่นิ่งไม่สงบแล้วมันจะไม่มีความสุขแล้วมันจะเกิดความอยากต่างๆตามมามันต้องพยายามมีสติคอยกากำกับมันโดยอาศัยอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นถ้าดูลมหายใจได้ก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้เฉยๆว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกแล้วถ้ามีอะไรมาให้สัมผัสรับรู้ก็ไม่ต้องไปสนใจ ให้อยู่กับลมหายใจไปถ้าถ้าชอบใช้พุทธโธก็ใช้คำบริกรรมพุทธโธไปถ้าชอบใช้การสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปอารมณ์เหล่านี้จะควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบได้แล้วเมื่อใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขเพราะเวลาสงบความอยากต่างๆก็หยุดทำงานพอไม่มีความอยากความรุ่มร้อนความหิวโหยของใจก็หายไป แต่พอจากสมาธิมาพอเกิดความรุ่มร้อนเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญามาระ ง, งับมันให้ได้ถ้าระ ง, งับความอยากได้ใจก็จะกลับไปสงบเหมือนกับตอนเข้าสมาธิแต่โดยไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ยิ่งแต่ใช้ปัญญาคอยสกัดคอยกำจัดความอยากต่างๆเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นแล้วใจก็สามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขสงบได้ตลอดเวลา ทั้งในขณะที่เข้าสมาธิและในขณะที่ไม่ได้เข้าสมาธิต่อไปใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะใจจะทำลายความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นในใจให้หมดไปพอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ร้อนให้กับจิตใจต่อไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดึงใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากหาความสุขอยากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเมื่อไม่มีความจําเป็นต้องมีร่างกายก็ไม่มีการกลับมาเกิดใหม่พบใช้ก็จะสิ้นสุดลงความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะสิ้นสุดลงทุกที่เกิดเคยเกิดก็จะหมดไปทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดผู้ไม่เกิดก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกผู้ที่ได้กําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไป ด้วยการปฏิบัติทำสองขั้นขั้นสมาธิในเบื้องต้นตามด้วยขั้นปัญญาต่อไปเมื mm ่อ hmm. มีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา mm hmm. ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆหยุดความทุกข์ต่างๆหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm hmm. นี่คือผลที่เราต้องการการจากการมาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็หวังว่าคงจะนำมาไปปฏิบัติการต่อ เวลาสำหรับการแสดงธรรมในตอนนี้ก็บดลงต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันต่อถ้าเราใช้การฟังธรรมเป็นอารมณ์เราก็มาเปลี่ยนเป็นใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ใช้คำบริกรรมพุทธโธก็ได้หรือใช้การสวดมนต์ก็ได้แต่ไม่ควรจะนั่งเฉยๆเพราะนั่งเฉยๆเดี๋ยวใจจะดิน้นใจจะอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากแล้วมันจะเกิดความร้อนใจ เ้าจะนั่งไม่สบายจะอึดอัดแล้วจะทนนั่งต่อไปไม่ได้ถ้าเริ่มรู้สึกว่าเริ่มอึดอัดก็ต้องรีบสวดมนต์ก็ดีบริกรรมพุทโธก็ดีหรือดูลมหายใจก็ออกก็ดีถ้าอยู่กับลมได้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธได้อยู่กับการสวดได้ใจก็จะนิ่งจะเย็นไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็จะนั่งสมาธิกันจนกว่าจะครบเวลาสามสิบนาที เวลาสำหรับนั่งสมาธิก็หมดแล้วครบส0สบนาทีต่อไปนี้ก็จะขออนุมโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปูราปิริเพรนินเิสาขลังเอวเมวะยุตโตจินังเปตานังอุ ป, ปกปติ อิชิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสะเพปเรนโสังกปาจันโทปนะระโสยธามะนีโชตระโสยธาสพีติโยวิวัจจันตสพรโควนัสตุมาเตภะวะตวันตารยสุขีติขายุโกภะ อภิวาธนศสีลิษะนิจังวุทาปจายโนจตารุธรมมวทันติอายุวันโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่ที่ดีที่สุด พอหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกก็ต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนแพอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมหนากุฏจากทางเฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติสามรอยส่สิบสามท่าน u b e พระสุชาติไลฟ์สามร o อยสา e สิบเกด็อตอรวีสี่สิบห วุฒิยูออนไลน์10คลับเฮาส์สิบสนาคุติหน5ร้ิรวมทั้งหมด935ท่านค่ะคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะจิตชอบเศ้าหมองบ่อยๆคิดไปต่างๆนานาเหมือนแพนิคเราควรวางจิตอย่างไรดีครับ้องพยายามทำให้สงบพยายามจเจริญสตินั่งสมาธิบ่อยๆ ว่าจิตจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านหรือคิดไปทางในทางที่จะทําให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาถ้าอยู่คิดได้แล้วจิตใจจะผ่องใสเบิกบานมีความสุขคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะขณะใส่บาตรนั้นควรตั้งจิตอุทิศบุญให้บิดามารดาที่ล่วงลับหรือควรตั้งจิตแค่พุทโธคะตั้งสติอยู่กับการใส่บาตรไปก่อนเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยเราจะ บทิดส่วนบุญก็ละเลิกไปได้ทันทีคำถามจากคุณรัฐวันค่ะเรื่องการเปลี่ยนชื่อแล้วทำให้ดวงดีขึ้นเสริมหน้าที่การงานการเงินและสุขภาพพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะเป็นไปได้ก็ดีเลยรวยกันไปหม ด, ด, ดทั้งโลก <c oughs> เป็นชื่อว่ารวย <c oughs> ได้รวยกันทั้งโลก <c oughs> คำถามจากทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะการนั่งสมาธิช่วยให้เรามีความจําที่ดีขึ้นมีสติมากขึ้นในชีวิตประจําวันที่ทำงานทำให้เราเรียนรู้งานได้เร็วขึ้นทำงานผิดพลาดน้อยลงแก้ปัญหาในงานที่เราทำได้ย่อมเข้าใจถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องถูกต้องคำถามจากทาง a c e b o o k พระอาจารย์สุชาติค่ะ ถ้าตัวเราคือธาตุรู้ที่มารวมกับขันธ์ทั้งห้าที่หลวงพ่อเคยบอกว่าธาตุรู้เป็นอมาตะไม่ตายแสดงว่าธาตุรู้ไม่อยู่ในกฎไตายรักใช่หรือไม่ครับซึ่งมันก็จะขัดกับคําสอนที่ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎไตายรักหรือเปล่าครับสิ่งใดที่มีการผสมปรุงแต่งอยู่ภายใต้กฎตายรักเช่นร่างกายนี้มีการผสมปรุงแต่งด้วยธาตุสี่มันก็เป็นของชั่วคราว มารวมตัวกันชั่วคราวแล้ว เ, เดี๋ยวมันก็แยกออกอไปแต่ตัวท่าที่มารวมนี้มันไม่มันไม่เปลี่ยนมันไม่หายมันไม่เกิดมันไม่ดับถ้าดินน้ำลมไฟถ้ารู้นี่มีอยู่ตลอดเวลาคำถามจากคุณจากทางเฟซบุ๊กค่ะ นั่งสมาธิไปสักพักแล้วหนักขาชาและเจ็บมากแต่พยายามกลับมาดูลมต่อจนหายปวดไปเองแต่พอออกจากสมาธิเจ็บชาเจ็บชาขามากๆควรทำแบบเดิมต่อหรือควรแก้อย่างไรดีคะถ้ามันไม่เป็นปัญหากับร่างกายก็ไม่ต้องไปสนใจกับมันพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆให้จิตสงบมากๆขึ้นไปเรื่อยๆคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ระหว่างนั่งสมาธิกับพระอาจารย์จิตมันปรุงขึ้นมาว่าที่เราไปยึดถือว่าร่างกายเป็นของเราความเจ็บปวดเป็นเราพอะร่างกายสร้างระบบประสาทขึ้นมาไว้ผูกกับจิตใจเอาไว้ถ้าไม่มีระบบประสาทเราจะไม่มีเวทนาไม่มีความกลัวกังวลความเครียดก็ไม่มีทางการแพทย์จึงใช้ยาชาสารต่างๆระงับประสาททางธรรมเราใช้กําลังในฌานสมาธิไปตัดระบบประสาทไหมคะทําให้เรามียึดถือกายไม่ รู้สึกร่วมกับกายอ๋อทางธรรมเราไม่ได้ไปปิดกัน้นการรับความรู้รู้สึกของทางร่างกายเพียงแต่ว่าเราหยุดการมีปฏิกิริยาคือมีความอยากต่างๆถ้าใจเราไม่มีความอยากเกี่ยวกับร่างกายใจก็จะไม่ทุกข์ร่างกายจะเจ็บถ้าไม่มีความอยากให้มันหายเจ็บใจก็จะเฉยๆใจก็จะไม่เดือดร้อน คำถามสักทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะการเก็บดอกมะลิมาดมผู้ปฏิบัติธรรมสมควรทำหรือไม่คะกาไม่มีข้อห้ามตรงไหนอยากจะทำก็าทาเลยคำถามสักทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ เมื่อเห็นคลิปฝรั่งพูดในใจเห็นว่าสวยน่ารักดีแต่สติบอกว่านั่นเป็นธาตุดินจิตฟอกแฟบแล้วเฉยลงทันทีรู้สึกว่าโง่ที่คิดว่าสวยจิตจึงวางลงกลาบเรียนถามว่าข้อที่หนึ่งจิตเกิดวิอุเบกขาในวิปัสสนาหรือเป็นแค่อุเบกขาเวทนาครับไม่ต้องไปนสนใจหรอกว่ามันจะเป็นอะไรถอน ใ, ใจเราเฉยได้ก็พอ ข้อที่สองอย่างเสียงไพเราะรู้สึกชอบเสียงห้าๆก็ไม่ได้ไม่อยากได้ยินเราจะปฏิบัติอย่างไรกับจิตให้จิตวางเฉยลงจึงจะถูกต้องเมื่อได้ยินเสียงไพเราะและรำคาญครับก็พยายามทำใจให้เฉยด้วยการใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใจยังไม่เฉยเวลาได้สัมผัสกับอะไรใจจะมีความนักชังอยู่เราก็ใช้สติบริกรรมไป ให้จิตนิ่งให้เฉยแล้วความนักความชังมันก็จะหายไปคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะขอกราบเรียนถามยามปกติในชีวิตประจำวนันเราควรปฏิบัติทมนั่งสมาธิวิปัสสนาอย่างไรคะก็แล้วแต่เรามีเวลาให้กับการปฏิบัติหรือไม่เรามีเวลาก็ปฏิบัติให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ยังไม่มีคำถามใหม่คะม่ะกับอาจารย์เจ้าคะ่ะหนูสงสัยคำว่าท่ารู้เจ้าคะ่ะท่ารู้ที่หนูเข้าใจใช่พอเราเอาสติไปรู้ในสิ่งที่เห็นหรือว่าความคิดแล้วมันรู้มันเห็นตอนนั้นใช่ท่านรู้ไหมเ<ม>จ้าคะ่ะไม่ใช่หรอกท่ารู้มันรู้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่ว่าจะตื่นหรือหลับมันรู้ แต่ที่มันจะรู้ว่าเป็นอะไรหรือมาอยู่ที่สติถ้ามีสติให้ให้รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็จะรู้สิ่งนั้นขึ้นมารู้เสียงรู้รูปอะไรเ้องใช้สติเป็นตัวํากับใจให้ไปรู้แต่ไม่ใช่ธาตุรู้ที่หนูเข้าใจใช่ไหมคะก็อยู่ในธาตุรู้ทั้งหมดแล้วนอ๋อแบบอย่างหนูหนูเห็นหนูเห็นแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหนูรู้นั่นก็ไม่ใช่ธาตุรู้ที่พระอาจารย์ใช่ธาตุรู้ไง ถ, ถ้ารู้เป็นทุโรพอหนูสงสัยหนูก็รู้หนูสงสัยแล้วใจหนูมันก็จะจากความที่แน่นๆสงสัยแล้วมันจะคืนความวงวา ง, วางอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคำว่ารู้เนี่ยเป็นา่ารู้มีา่ารู้เท่านั้นที่รู้นอกนั้นไม่มีใครรู้ได้แสดงว่าไม่ใช่ยังไม่ถึงในเวลานี้ยังไม่รู้ก็แสดงว่ายังหลงอยู่เจ้าค่ะปฏิบัติต่อไปก็จะหายหลงเองเจ้าค่ะ คำถามจากคุณพัะสกรค่ะคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งติดเตียงจะทำอย่างไรให้พ่อมีจิตที่เป็นทุกข์เบาบางลงจากอาการเจ็บป่วยครับมันอยู่ที่ตัวพ่อมันไม่อยู่ที่ตัวเราไปทำให้ท่านท่านต้องรู้จักวิธีทําจิตของท่านให้สงบแล้วท่านก็จะไม่ทุกข์แต่อยู่ดีๆเราจะไปบอกให้พ่อเขาทาเขาก็ทำไม่ได้อยู่ดีคำถามจากทาง youtube อร์ค่ะ ขอสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะระหว่างจิตกับวิญญาณเหมือนกันไหมคะคือคําว่าวิญญาณนี่มันมีสองความหมายด้วยกันความหมายแรกก็คือเวลาคนตายจิตนี่ก็เปลี่ย น, ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณไปแต่เป็นตัวจิตนี่แหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เหมือนคนที่แต่งงานแล้วเขาอย่ากันเขาก็เปลี่ยนสถานภาพใหม่แต่เป็นคนเดียวกันคือธาตรู้จิตนี่คือธาตรู้ เวลามาร่วมกับร่างกายธาตุสี่ก็เรียกว่าจิตใจผู้รู้ผู้คิดแต่พอเวลายากออกจากร่างกายไปอยู่ตามลาพังเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณอันนี้คคือความหมายหนึ่งของคำว่าวิญญาณอีกความหมายหนึ่งก็คือวิญญาณที่มีอยู่ในจิตเวลาที่จิตรับรู้รูปเสียงขลิบนี้ต้องใช้วิญญาณไปรับมาเ็าเรียกวิวญญาณ ใ, ในในขันห้า วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายตัวนี้ทำหน้าที่รับลูกจากตามาสู่ใจรับเสียงมาจากหูรับกลิ่นมาจากจมูกรั บ, ร, บรับอะไรรสมาจากลิ้นตัวนี้เป็นวิญญาณที่ทำหน้าที่เหมือนกับโทรศัพท์มือถือใช้สัญญาณโทรศัพท์ติดต่อกันสองเครื่องคือตัวจิตนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายตัวจิตไม่อยูอ่อีกที่หนึ่ง ตัวร่างกายอยู่อีกที่หนึ่งแต่จิตสามารถส่งกระแสวิญญาณมารับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกนิ้วกายได้ตอนนี้เราก็เรียกว่าวิญญาณคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะขณะนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธควรโฟกัสพุทโธอย่างไรคะบางทีก็อยู่ข้างหน้าบางทีก็อยู่เหนือคิ้วบางทีก็อยู่ที่จมูกน้อมกราบสาธุโซค่ะ ไม่ต้องไปสนใจว่ามันอยู่ที่ไหนเขาให้เราอยู่กับพูดโธไปก็แล้วกันคําถามจากทาง facebook เจ้าค่ะนั่งสมาธิอย่างไรให้เกิดปัญญาเจ้าคะไม่เกิดหรอสมาธิกับปัญญาคนละเรื่องกันนั่งสมาธิให้เกิดฌานให้เกิดอุเบกขาให้เกิดความนิ่งสงบถ้าอยากได้ปัญญาต้องออกจากสมาธิแล้วมาเจริญไตรลักษณ์พิจารณาอนิจจังทุกขงังอนัตตาเช่นพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปสั่งมันไม่ได้พอเราอยากให้มันเที่ยงเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมไมไมอยากปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์อันนี้คือปัญญาต้องใช้ความคิดใช้การวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลคําถามสกุลโอรานค่ะเวลาเดินจงกรมควรกําหนดฐานจิตที่ใดคะอยู่ที่เท้าก็ได้ เวลาเดินก็รู้ว่ากำลังก้าว เ, เท้าซ้ายก้าว เ, เท้าขวาไปหรือจะใช้คำบาลีรมพุโทโธพุโทโธไปก็ได้คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเวด น, นั่งสมาธิแล้วจิตสงบมีน้ำตาไหลเกิดจากอะไรมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะไม่ต้องแก้ไขหรอกมันก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันให้รู้เฉยๆแล้วปล่อยวางไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปยุ่งกับมัน <c oughs> คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะเวลานั่งสมาธิเกิดทุกขเวทนามากควรวางจิตอย่างไรหรือควรฝึกทําใจอย่างไรให้เข้าใจในทุกนั้นเจ้าคะควรทาใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกเราไปสั่งเขาไม่ได้แต่เราอยู่กับเขาได้ด้วยการยอมรับเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะเฉยๆอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้หมดหรือยังตอนนี้มีแท็กไม้ชุดนึงแะเดี๋ยวต้อง <c oughs> มาที่ไหนไม่ทราบไมา้กลุ่มหนี้งนี่ <c oughs> นะตอนนี้ก่อน <c oughs> นะสําหรับคําถาม <c oughs> เพราะว่ามีญาติโยมเข้ามาญ <c oughs> าติโยมที่มานี่จะมีมีทุลารายหรือเปล่าอ๋อ <c oughs> <c oughs> จะมาทำบุญถวายข้าวของมาเชิญเข้ามาได้เลยจ้ถ้าเราญาติยมที่ถวายของเสร็จฟังเทศฟังธรรมเสร็จอยากจะกลับบ้านก็ได้นะก็ขอให้นำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ